ของเรานี่ตั้งหลายบทแล้วยังไม่ได้บรรลุเลยก็แสดงว่าบุญในปางก่อนไม่ค่อยดีนะก็แสดงว่าชาตินี้จะต้องทําให้มากๆเข้าไว้นะนะท่านผู้ที่มีบุญเก่าเนี่ยฟังคาถาสี่บทต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแลบของพระปัิเจกพรพุทธเจ้าหรือที่ฟังเฉพาะพระภักของพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็บรรลุได้นะนะ ก็มนุษย์ผู้ใดสร้างบารมีไว้มีกุศลมมลอนหนาแน่นมาก่อนมนุษย์นั้นทำวิปัสสนาให้เกิดแล้วย่อมบรรลุธรรมะที่สิ้นอาสวะด้วยกุศลมมลนั้นนั่นแหลเหมือนพระเจ้ามหากปินะและอัครมหสีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าความเป็นผู้ทำบุญไว้ในปางก่อนพระเจ้ามหากปินาเนี่ยนะเป็นพระราชาที่ใจเด็ดที่สุดในบรรดาพระราชาทั้งหลาย พออมาตย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกบอกจ่ายหนึ่งแสพระธรรมเกิดในโลกจ่ายอีกแสนหนึ่งพระสงค์เกิดขึ้นมาในโลกจ่ายอีกแสนหนึ่งแล้วก็เขียนบัญชีบอกว่าไปเบิกเอากับมเหสีนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในทิศใดก็ก็หันม้าไปทางทิศนั้นไม่ต้องมีการกลับไปสัง่งเสียเลยนะขี่ม้าควบไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปถึงเจอพระพุทธเจ้าพระงแสดงธรรมก็แน่จริงนะฟังหนึ่งรอบบรรลุโสดาบัน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 เขาบอกว่าเขาหลอกขายที่ให้อ่ะถ้าเป็นคนมีบุญนะถูกหลอกซื้อที่เส้นเขาขายที่ไม่ดีสับปะรังเคให้นะแล้วก็เขามีคนมาขอซื้อต่อในราคาที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยเนี่ยนะเนี่ยถ้าบุญเก่ามันให้ผลนี่ไม่ค่อยยากหรอกแค่เรียกว่าถูกหลอกยังได้ดีเลยนะแต่ถ้าหมดบุญนะว่าทําอะไรก็เสียหายหมดเนี่ยนะนบุญเก่านี่ช่วยเหลือเกื้อกูลมากของเราทั้งหลายนะ ถ้าเรามองโดยรวมๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญเก่าจริงๆอันนี้ไม่ได้มายกยอปอปั้นอะไรกันเล่นๆนะคือจริงๆนะเชฟอาดูวิเคราะห์เลยนะว่าตาเราก็ดีไม่พิการหูก็ดีไม่เสียโมกก็ดีสุขภาพร่างกายก็ดีอะนะอายุก็ได้ยืนยาวมาขนาดนี้ถ้าเอาจุลกรรมนะเอาจุลกรร ม, มวิพังกระสุนมาจับดูนะจะรู้ว่าเราทําบุญกันค่อนข้างเยอะเลย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 ทีนี้ที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยรู้ก็เพราะว่าเราไปเทียบกับคนที่เขารู้กว่าเราก็เลยบอกว่าเอะไม่รู้ซะกระจบกันเนี่ยนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่หวั่นถึงกับแ่บไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะว่าสังเกตหลายคนที่นั่งสปปงบ ก, ก็มีไม่กี่คนนะก็แสดงว่าติดตามเรื่องได้นะก็แสดงว่ามีบุญเก่าไว้มากนะก็ทั้งร่างกายเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีบุญจริงจิงโย ม, ยมใช่ไหมไม่มีเวลาได้นั่งฟังขนาดนี้หรอกเนี่ยนะเดือดร้อนหมดแหละเชื่ออะทั้ง เดี๋ยวก็เดือดร้อนหมดกระจององงแงจนไม่ได้ฟังธรรมอ่ะนะธรรมไม่ได้ถ้าเลิกฟังธรรมก็จะอยู่ดีแต่ถ้าช่วงพอจะเริ่มฟังธรรมก็ปัญหาก็เริ่มเข้ามาเบียดเบียนแต่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากแล้วจงภูมิใจเถอะเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันให้คิดไว้ด้วยนะถ้ามีกับหมดนี่มันใกล้ๆกัน น, นะก็ทําหมดนี่ก็แย่มันกันเพราะบุญใดที่รีบมีก็รีบทํารีบเจริญไวเ้เถอะเนี่ยนะก็อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าต้องรอให้คนอื่นเขาหยาดน้ําให้เลยเนี่ยนะ สงสารตัวเองเธออย่าต้องให้คนอื่นเขาหยาดน้าให้เลยบุญใดที่ยังไม่ทําก็ทําไว้เถอะจะได้ไม่ลําบากใจเน่ยนะเพราะเขามีนะในคัมภีรเปรตต่วัตถุเนี่ยนะพวกพ่อแม่ทั้งหลายก็โอ้ก็บอกอุตสาแสวงหาทรัพบเอาไว้ให้ลูกหลานเนื้อว่ามันจะทําบุญหยาดน้ําไปให้บ้างมันไม่ยอม ม, มือแต่พลินยังไง น, นนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานก่อนเนี่ยนะผู้การพูดอยู่คําหนึ่งนั่งอยู่ตรงที่ตรงโยมนะนะั่นน่ะนั่งตรงนั้นแหละ ผู้ ก, การใช้คําว่าหนึ่งก็บอกใครที่มีทรัพย์แล้วไม่ทําบุญเลยคนนั้นนี่โง่ามากเขาวางเงินโง่จริงๆเขาวางเง น, นถามว่าทำไมจึงอย่างนั้นถามว่าทรัพย์ในโลกมันของใครเอ่ะจริงๆอะถามามันของใครอที่ตรงนี้นะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ของผู้การนะพะโยมหลายๆคนก็ก็เล่าว่านี่นะที่นาผมนะครับตรงนั้นอนะที่นาผมนะครับโยมที่ใส่บาตรนะ ก็ไม่ใช่เป็นของผู้การมาก่อนแล้วผู้การก็อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือไม่ล่ะมันก็ชั่วคราวกันทั้งนั้นไงของเรามาใช้เนี่ยอัดดีไม่ไดีดจะใช้มากกว่าผู้การได้ซ้ำไหมผู้การไปแล้วเนะี่ยไปทุระอนะไปทุระนะไม่ใช่ไปแล้วท่แย่นะ น, นะเเนะนะ อ, อนี่ยจริงๆแนละ้วเป็นอย่างนี้จริงๆมันใครที่มีทรัพย์แล้วไม่ทําบุญเอาไว้นะ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 เจริญบุญเจริญกุศลนี่ก็นับว่าสำนวนผู้การบอกว่างโง่มากเหมงอนั้นนี่พูดตามผู้การไหมถ้ามันผิดก็ให้ผู้การมาแก้เอา <c oughs> คุณนายก็ไม่ช่วยแก้ผู้การหรอกนั่งอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูอัตตะสัมมาปณิทิบ้างะนะการตั้งความปรารถนาไว้โดยชอบอัตตะสัมมาปณิทิการตั้งความปรารถนาเ อ, อตตมม า, า, า, า, าไว้โดยชอบว่า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 การตั้งดังกล่าวมานี้ชื่อว่าอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบหรือตั้งความปรารถนาไว้ดีก็อย่างที่กล่าวว่าทุกคนผ่านมาเนี่ยนะก็วัตตนนี่มันก็อย่างนี้แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีแต่ตั้งความปรารถนาตั้งใหม่ๆได้นี่นะตั้งได้ น, นะที่ทุศีลก็ตั้งเพื่อให้มีสีอ่า น, นะทานที่ยังไม่ให้ก็ตั้งเพื่อจะให้เธอ เรายังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตั้งได้ถ้าตั้งตั้งคําถามว่าก่อนหน้านี้มาคุณบุญชูเจริญพุทธคุณเป็นไหมล่ะไม่เป็นแต่แกตั้งเอาไว้แกจึงเจริญได้จเจริญได้มากจเจริญได้เยอะเนไะก่อนหน้านี้มาตมาก็ไม่ได้ไเรียนธรรมะธรรมโอไรหรอกแต่ก็ตั้งเอาไว้จึงได้เรียนเพรานทุกคนถ้าตั้งความปรารถนาเอาไว้ดีๆนะจะได้ศึกษาได้เรียนจริงๆขอให้ตั้งเถอะไอ้ที่ปัญหามันที่ปัญหามากก็ไม่ยอมตั้งสักทีเนี่ยนี่ยากมากเนะห แต่ถ้าตั้งได้นะตั้งแล้วจะดีตั้งขอให้เราสามานะชีวิตนี้เราต้องเจริญพุทธคุณได้อย่างเยี่ยมเนี่ยนยีเอาแค่ไหนเราก็ตั้งไว้เลยศึกษาตินี้เราต้องศึกษาพระธรรมให้ได้เท่านั้นเท่านี้หมอยุพินจะอ่านพระไตรปิกฎกกี่รอบเนี่ยตั้งไว้หรือยังเออเอาสักรอบไปก่อนนะน่าจะตั้งไว้เยอะๆหน่อยสันโดษจังเนี่ยเนี่ออเอาใครอดี คุณอุไรจะตั้งไว้กี่รอบพระไตรปิฎกคิดว่าอย่าง น, น้อยต้องให้ได้สามรอบอ๋ออย่างน้อยต้องสามรอบนะนะสาธุสาธุสาธุาธอนนะหลายๆคนเนี่ยใครตั้งความปรารถนาไว้เกินสิบรอบบ้างช่วยยกมือขึ้น อยอมไม่ตั้งกนมาตั้งเองก็ได้ <c oughs> น ะ, นะคิดนะนะว่าอกจากนี้ไปอีกสิบรอบมันไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยน ะ, นะ <c oughs> แล้วดีถ้าเป็นยี่สิบสามสิบรอบได้ยิ่งเจ๋วใหญ่เลยนะ <c oughs> ถามว่าไม่อ่านพร ะ, ตะไตไปิฎกเขาไปอ่านเดรัชานกถาหรือเนี่ยน ะ, นะ <c oughs> มันก็น่าตั้งนะตั้งควรที่จะอ่าน <c oughs> แล้วคุณวิลาวันน่ะใช้ความคิดแล้วเกินเนี่ยแค่ตั้งแค่นี้เอง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 พอมาเห็นเนี่ยโอ้โหจุดบนจุดล่างไม่รู้เขาอ่านว่ายังไรสะกดก็ไม่ค่อยจะถูกเนี่ยนะไอภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วจะไม่ต้องไปเจอบาลีอู้หหนักหนาสาหัสมากะนะท่า น, นก็ก็ทนเรียนไปเถอะเรียนทนบ้างทนเรียนบ้างบางครั้งถ้าเรียนสนุกก็ทนเรียนทนใช่ไหมบางครั้งไม่ค่อยสนุกก็ทนเรียนเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาเองนะสิปีผ่านไปเดี๋ยวเขาก็ว่าเราโอ้อยู่ทนเขาว่าเก่งเองแนะ่ะก็ไล่ไลเรื่องนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคัำพีเนี่ยปฏิสัมพิทาเนี่ยดีมากพระรูปหนึ่งก็บอกว่าตอนนั้นเป็นสมณเนรอยู่ใช่ไหมบอกสมณเนรต้องอ่านปฏิสัมพิทาให้ได้อย่างน้อยสามรอบเขาบอกงั้นเอ๊ะมันดียังไงปฏิสัมพิทาเนี่ยนะเราก็เชื่อเราก็มาอ่านอ่านรอบแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าคัำพีเขาว่าเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะรอบที่สองก็ไม่ค่อยรู้อีกรอบที่สามมานั่งลอกเลยคนนี้นั่งลอกภาษาบาลีบ้างนั่งลอกไปเรื่อยๆบอกว่าคุ้นเคยก็ยังดี รอบที่สามรอบที่สี่ผ่านไปนะก็ยังไม่เท่าไหรเนี่ยนะก็คิดว่าจะอ่านนี่สักยี่สามสรอบก็น่าจะดีนะก็ถ้าไม่อ่านนั้ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันเนี่ยนะก็ขอสมาทานเรียนพระธรรมนี่แหละก็คือเพราะว่าโอกาสที่เราจะเรียนเนี่ยมีไม่ค่อยมากนักหรอกเนี่ยนะก็ชาตินี้ได้มาเมียจังขอบคุณยมพ่อยมแม่อยู่ทุกวันเนี่ยกาอนุญาตให้บวชนี่ก็ได้บุญหนักน้าแล้วนะก็เราได้บวชนี่ก็ได้ศึกษาพระธรรมคือ คือหมายเขาว่าแกไม่ชวนศึกเช้าเย็นนี่ก็ได้บุญมากแล้วเพราะก็ยังได้มีเวลาร่มเรียนได้เวลาศึกษาเวลาอ่านนะถ้าตัวทเรียนอย่างนี้ไปจากนี่ไปจนถึงตายนะเขาบอกอย่างนี้นะของมาเชื่อแบบคนแก่เขาชอบคิดเรื่องเก่าใช่ไหมนี่ถ้าเราเรียนธรรมะไปจนแก่เลยนะเราก็คิดถึงแต่ธรรมะโอ้ยอย่างนี้น่าจะได้ดีนี่นะก็ได้ตัวอย่างก็บอกก็หลายหคนนะทั้งผู้การทั้งคุณมุนชูเป็นต้นเนี่ยชอบเล่าว่าคนแก่ชอบคิดเรื่องเก่า เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไว้ตั้งกับเด็กๆนะจนกว่าจะแก่นี้สงสัยคิดแต่ธรรมะนะเพราเรื่องเก่าใช่ไหมสะสมไว้เถอเพะพันเราเรียนทั้งหลายเรียนตั้งอตยุ่น้อยๆ น, นี่ได้เปรียบมากก็คนวัยเดียวกันกับตมามีหลายคนนะนะคุณรุง่งด้วยนะไปเรียนๆบัง่งไป อ, าอา่านๆมั่ง <c oughs> ตั้งความปรารถนาที่จะอ่านพระธรรมเธอตั้งความปรารถนาที่จะละลึกถึงคุณพร ะ, ะพระสงฆ์การตั้งความปรารถนาเหล่านี้ยดีเยี่ยม นะไปอินเดียนี่เคย ม, คยคมนะีใครตั้งความปรารถนาใครตั้งความปรารถนาจะมาอินเดียกี่รอบคุณหมอบอกหกรอบนะนะตอนนี้ได้สามนละ้นะะตั้งเพิ่มอีกก็ได้นะคุณหมอมอ๋อเพิ่มแล้วเป็นเท่าไหร่อ๋ออย่างน้อยทุกปีอ๋ออย่างน้อยทุกปีนะนะสาธุสาธุาธาธนะนะแล้วยมบุญอนะ่ะตั้งให้ก็บเท่าไหร่จนกว่าจะเลิกเออจนกว่าจะไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะสาธุ แต่ละคนก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไว้ดีเยี่ยมทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าใครที่ยังตั้งไปไหนไม่ได้ก็ประเจดีใกล้ๆบ้านก็ให้มันได้อธิตย์ละครั้งก็ยังดีอ่ะนะไม่ใช่ว่าเอื้อมจะไปไกลเหลือเกินรอบๆข้างยังไม่ทันได้ไหวเลยอย่างนี้ก็เสียดายมากนะเพราะฉะนั้นอะไรที่พอทําได้ก็ทําไปก่อนเนะบุญใดที่ทําไปได้ก็ทําไปก่อนอย่าไปเรียกว่าอย่าไปเอื้อมในสิ่งที่เรายังเอื้อมไม่ถึงก็เอื้อมในสิ่งที่เราพอทําได้ เช่นพระพุทธรูปในบ้านเราที่มีอยู่แล้วก็กราบเธอเนี่ยนะก็ขยันกราบมากๆระลึกถึงคุณบ่อยๆนั่นก็เป็นบุญแล้วตั้งอัตตะส ม, มาปนีธที่เถอศีลก็เหมือนกันนะตั้งไว้เลยศีลเราจะต้องสมาทานศีลแล้วการตั้งเนี่ยนะอย่าเบื่อหน่ายในการตั้งตั้งความปรารถนาทีก็บุญทีเป็นมงคลทีจะไปตั้งความจะไปรังเกียจการตั้งทําไม ต, ตั้งแต่ละครั้งก็ได้บุญทุกทีไปตั้งแต่ละครั้งก็ได้บุญทุกทีไปเป็นมงคลทุกทีไปตั้งบ่อยๆเถอะอะไรก็ได้ที่เป็นบุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะตั้งไว้เลยนะตั้งบ่อยๆตั้งมากๆเ น, นีนะอันนี้ก็ผู้การอีกนั่นแหละหลายคนเคยอยู่กับผู้การมาหลายปีแล้วก็มีนิทานเรื่องผู้การเยอะเขาบอกว่าตอนนี้ผมเนี่ยมันยัดเยียดเข้าเขาว่าไงถ้ามันเป็นกระสอบเนะียัดเข้าไปเขาว่างมัน <laughs> ยัดเข้าจริงๆก็บอกแม่มันยากเย็น บอกพุกการเล่าว่าสมัยก่อนนะก็อ่านหนังสือนะถ้าดูสี่ครั้งและจําได้หมดเลยนีนะถ้าดูถึงถ้าดูสักสี่ครั้งเนี่ยนะจะท่องได้หมดเลยนะก็แต่ก็เชื่ออยู่หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเล่าไอ้สมุนไพรให้ฟังได้เลยนะเป็นหมอยาที่ไม่รู้จักตัวยาเลยนะท่องยาได้หมดสมุนไพรมนะั้ะงั้นก็เชื่อว่าคือความจําก็ดีมากแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยยอมมนะั้งงั้นตอนนี้ไม่ค่อยยอมก็เลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปมนะั้งงั้น ก็ท่องได้ตังเยอะเนี่ยนะผู้การท่องพระสูตรได้ตังเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายเนี่ยก็คนที่อายุเท่าผู้การหรือเกินกว่าก็มีไม่มากหรอกมีปานาคเป็นต้นอันนั้นมีไม่กี่คนหรอกนั้นคนที่เหลือนี่รองผู้การทั้งนั้นเลยนะอายุน้อยกว่าผู้การทําได้อยู่แล้วนะมีศรัทธาจะทําหรือเปล่าเนี่ยนะหลายคนนี่อ่อนกว่าผู้การอย่างองมานี่อ่อนผู้การตั้งนานทําไมจะทําไม่ได้เนี่ยนะปัญหาสําคัญน่ะคิดจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเอง ไม่ได้ไม่มีความรู้จำไม่ได้เอาเอาคุณบุญชูเนี่ยเป็นคนที่ในนี้ก็น่าว่าท่องพระสูตรได้หลายสูตรมากมันก็มาเล่าวิธีจำพระสูตรให้ให้สหธรรมิกฟังหน่อยว่าทำยังไงจึงจำพระสูตรได้เยอะๆอย่างนี้ พูดเลยพูดฮัลโหลคือคืออย่างนี้นะครับผมผมไปอย่างอย่างที่เคยบอกมาแล้วเนี่ยาศาสนาไหนไม่เคยเข้าไม่มีละไปยมอมโด <c oughs> พูดคริสต์อิสลามโยเลอนุตระธรรมไายมมด <c oughs> ไปเจอไปเจออิสลามเขา <c oughs> เขาไปเจ อ, อผู้สอนสาศาสนาเขา ระดับบิ๊กเลยนะฮะเข้ามาบ้านของศาสนิกเขาแล้วผมผมเห็นเขาสอนอคำพีกุรอ่านนะครับผมันหนาจริงๆนะครับผมภาถาพระจำได้ยังไงเนี่ยเขาก็ผมกจะพยากอะไรแล้วก็เอาอย่างนี้สิครับก็ในคุณจะเอาสักประโยคหนึ่งก็ได้คุณดูไปทุกตัวเลยเนี่ยนะสักสิบครั้งนะครับ แล้วหลังจากนั้นคุณก็ดูบ้างไม่ดูบ้างอีกสักสิบครั้ง20ะนะแล้วทีนี้คุณไม่ต้องดูอีกสิครั้งก็ประโยคนั้น30สครั้งพอได้เสร็จคุณก็ต่อประโยคที่สองประโยคที่สองในยะเดียวกันนี่แหละเมื่อได้ประโยคที่สองทวนประโยคหนึ่งแล้วก็ทวนประโยคสองพอได้สองประโยคต่อประโยคที่สาม แล้วก็ทวนหนึ่งสองสามแล้วก็ต่อประโยคที่สี่ทวนหนึ่งสองสามสี่ได้ประโยคที่ห้าก็ทวนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอย่างนี้จนกวรได้เป็นหน้าแต่สำหรับของผมเนี่ยผมความจำไม่ดีจริงๆนะแต่เนื่องจากเห็นว่าดีจริงๆปัญญาหน้าตักลุกล่วงพรูหมดทำยังไงถึงจะจำได้ผมก็ให้คล้ายๆกับว่า ลักษณะบอกว่า เ, เสียมเรามันไม่คมอ่ะใส่ด้ามให้มันหนักๆนะเอ้ยแล้วมันก็เป็นจริงๆนะผ ม, ผม เ, พเพิ่งรู้จักว่าเสียมไม่คมเนี่ยใส่ด้ามหนักๆไปยังไงปลาหลักหมุดเขตที่บ้านมันหายแล้วก็ไปขอที่ดินเขาเขามามาใส่หลักหมุดให้ใหม่ก็ปรากฏว่าเขาเอาเสียมมาขุดผมลงไปจับเสียมเขาอ่ะเขาเหล็กเพลา ล, ล็อู้มันเป็นเหล็กตันเนาะยกไม่ขึ้นอ่ะ มันนักอย่างนี้เขาเพิ่งเห็นของจริงนะ น, นะครับเออก็เออครั้งแรกมันจําไม่ได้อ่ะพราะมันจําไม่ได้เอาไงดีเราจะหาอุบายที่จะทําให้จบดจําได้เร็วก็ไปนั่งขวางประตูบ้านไว้นะครับเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราต้องจําสูดนี่ให้เร็วที่สุดแล้วให้แม่นที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดก็เขาผ่านไปคนที่บ้านเป็นผู้หญิงโหมดเขาไปทีเขาก็ เอาข้ามเราไปทีเอ็นหลังให้เขาไปทียเราล้มคาญตัวเองแล้วเขาก็จะเข้ากว่าล้มคานเราอ่ะเล้าก็่าล้มคานเขาอ่ะเพราะนั้นเวลาเรามีน้อยต้องจําให้เร็วนีแล้วปัญหาก็คือพอมีอายุเข้าเนี่ยได้หน่ลืมหลังไอ้ได้หลังกว่าลืมข้างหน้านี่คือปัญหาต้องย้อนกลับมาทําใหม่อีก ออครั้งแรกผมได้ยินคำหนึ่งของอาจารย์สันติที่มาเยี่ยมเราที่เชียงใหม่นะครับบอกว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นบนทินนะครับเ อ, อ่ยคำนี้ผมไม่เคยได้ยินแฮเข้าท่านะก็ละกลับไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทวนของเก่าใหม่แล้วพยายามจะสาธยายอยู่นะแล้วทีนี้เราคิดว่าอตอนนี้พระไตรปิดกเราเริ่มมีมากขึ้นเราก็จะต้องจำให้มากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นภาระนะ เราจะสาทยายได้ได้เก่าๆก็ตอนนี้ยังมีอยู่นะยังหลงหลงลืมๆไปบ้างอยู่นะจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพยายามจะทำที่ที่ให้ดีที่สุดนะพูดมากไปเนี่ยนะนั่งข้างล่างก็เต็มทนนะพระอาจารย์อยู่ทางฝุนก็จะเต็มทีนะขอคืนไม้ให้ก่อนนะครับ การตั้งความปรารถนานี่มีความสําคัญมากนะจริงๆก็คือความตั้งใจนั่นเองตั้งใจบ่อยๆเถอะสิ่งที่เราควรตั้งใจไว้นะถ้าว่าแบบสรุปสรุปตั้งใจเจริญอินทรี่ห้านี่ดีนะข้าพเจ้าขอสมาทานประพฤติศตาปฏิยังฆธรรม4ประการเพื่อให้เห็นสัตทินรี่ใช่ไหมสองตั้งสมาทานเพื่อเจริญสัมมาประธานสี่เพื่อเจริญวิริยินสี่สมาทานเพื่อปรารบ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 ตั้งเรื่อยๆแม้กระทั่งกุศลกุศลละจิตเนี่ยนะเช่นถ้าใครน้อมจะเจริญเมตตาเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าเวลาจากนี้ไปถึงสมมติว่าเราจะกลับบ้านใช่ไหมจากนี้ไปถึงบ้านสมาทานขอให้เจริญเมตตาไปถ้าถ้ามันเจริญได้ไม่ยาวขนาดนั้นเอาสัก5เม็ดแล้วตั้งใหม่10เม็ดตั้งใหม่20เม็ดตั้งใหม่ตั้งไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะยาวเองก็จะมากขึ้นเอง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 ตั้งอย่าเบื่อหน่ายในการตั้งในถ้าตั้งหนึ่งครั้งก็ยินดีแสดงว่ายินดีในการเจริญวงของท่าอารยะแต่ที่ประเด็นสำคัญที่สุดให้ชัดเจนนะตั้งเพื่อเจริญอินรีย์าถ้าไปเอาอันใดอันหนึ่งเช่นตั้งเพื่อจะท่องอย่างเดียวก็จะได้จำเยอะๆเราก็สันเสริญการจำมากๆทีนี้ถ้าจำมากๆนี่ถ้าเราขาดอินรีอื่นๆละเสียหายไหมเสียหายนะถ้าหากว่าเอาแต่อินรีข้อใดข้อหนึ่งจนเกินไป ศรัทธาเกินไปก็เชื่อง่ายเพียรเกินฟงมุ่งสมาธิเกินทีนามิธะมุ่งปัญญาเกินก็ไม่รู้อะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อินรี่ห้าให้พอดีกันที่สำคัญทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่สติเนี่ยนยีหมันระลึกถึงคำสอนเธอพระพุทธเจ้าเนะเราไว้อย่างไร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 ขอทำตามอย่างนั้นอันนี้ก็นับว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิทิยอย่างอย่างเยี่ยมแล้วนะการตั้งตนเอาไว้ชอบอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิทิเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุละเวนเวนนี่หมายถึงว่าถ้าตั้งสมาทานเพื่อจะรักษาศีลก็กาจัดเวนออกไปคาว่าเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเนี่ยนะพวกนี้เป็นเวนทั้ง โลกนี้ด้วยเป็นเวรทั้งโลกหน้าด้วยเนีย่ยนะเสียหายทั้งโลกนี้เสียหายทั้งโลกหน้าเช่นถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยนะถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่ายาดญาิเขาจะยอมใช่ไหมอันนี้ก็เวรเห็ น, เ ห, นเห็นกันละทีนี้ถ้าชาติหน้าละ่ะเนี่ยนะชาติหน้าไปทำอย่างอื่นอยู่ก็ถูกเขาตามฆ่าอีกแลวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเวรทั้งโลกนี้โลกหน้าผิดศินทุกข้อนะเป็นเวรทั้งโลกนี้และโลกหน้า แต่ถ้ารักษาศีลจะบำบัดเวรภัยทุกชนิดและก็จะได้ประสบอานิสงส์ต่างๆอานิสงส์ที่จะได้ประสบมีอะไรบ้างนะอานิสงส์ของศีล น, นะอังคุตเอ่อขออภัยคุถการนิกายปุตตสูตรใช่ไหมที่แสดงอา น, นิสงส์ของศีลในปุตตสูตรแสดงอา น, นิสงส์ของศีลเอาไว้มากนะไปดูอา น, นิสงส์ทั้งพบนี้อา น, นิสงส์ทั้งพบหน้ามั่นสมาทานเธอสรุป ตอนนี้ที่ผ่านไปได้สามมงคลคนะคือหนึ่งการอยู่ในปฏิรูประเทศสองความเป็นผู้ทาบุญไว้ในกอ 3. สามการตั้งตนไว้โดยชอบเพราะฉะนั้นผ่านไปหกมงคลนี้มาขึ้นมงคลคนาถาใหม่อีกต่อไปพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตังเงินนะ พาหูสัจจจะเนี่ยนะก็คือความเป็นพหูสูตรใช่ไหมสิปัญจะก็คือศิลปะวินัยโยจะสุสิคริโตก็คือศึกษาวินัยไว้ดีแล้วสุภาสิตาจายาวาจาการกล่าววาจาสุภาสิทธเนี่ยนะทั้งสแต่ละอย่างเนี่ยนะก็เป็นมงคลนั้นมาขึ้นมงคลว่าความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะมีดังนี้ว่าความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตถุศาสตร คือทรงซึ่งทร ง, ง, งไว้ซึ่งคําสอนที่ทรงพันธนาไว้โดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าเป็นผู้ทรงสุตะสั่งสมสุตะพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะว่าเป็นอริยทรัพย์นะการสั่งสมสุตะเนี่ยนะมันผู้ที่สั่งสมสุตะไว้มากก็เชื่อว่ามีทรัพย์มากและว่าภิกษุในภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้มีสุตะมากคือสุตะขยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะปูตธรรมเวทละ